เพระนั้นอย่าอย่าไปตั้งความหวังแค่สุขสงบหรือดีแต่ตั้งความหวังไว้ว่าเราจะเรียนรู้ความจริงความจริงก็คือว่ามีเกิดมีดับมีการเปลี่ยนแปลงมันทนอยู่สภาพนั้นไม่ได้คือมันเป็นทุกข์เห็นสภาพความเป็นจริงว่ามันนิ่งไม่ได้มันเปลี่ยนแปลงไปและที่มันเป็นไปเนี่ยเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่เราสั่งบังคับคือเป็นอนัตตา ตรงนี้ต่างหากจึงที่เรียกว่าเมื่อเห็นว่ามันไม่มันไม่สามารถจะย่างลงไปที่ไหนได้อีกแล้วเนี่ยจึงจะพ้นจากภพนี้ไปไม่อยากจะได้รูปไหนแล้วแต่ไปพอใจในเรื่องของนามาธรรมคือภาวะของความสุขสงบนะก็ไปหาสิ่งที่เป็นอรูปแล้วพอเสื่อมนะก็กลับเอาลูกอีก <laughs> จิตเนี่ยนะ เพราะนั้นรายละเอียดมันมีนะในในเส้นทางที่เราปฏิบัติเนี่ยนะมันจะมีรายละเอียดคอยหลอกล่อเรานะสิ่งที่เราไม่เข้าใจมันจะหลอกเราได้แต่ถ้าเราเข้าใจมันแล้วเนี่ยนะจะหลอกเราไม่ได้ละสุขเคยหลอกเราได้ตอนนี้หลอกไม่ได้ละความสงบที่เคยหลอกเราได้ตอนนี้หลอกเราไม่ได้ละรู้ตามเป็นจริงรู้ตามเป็นจริงมันจะแสดงความจริงให้เห็นว่าไม่น่าเอาความสุขอันนี้นะแต่ว่าสุขได้นะ แล้วควรจะสุขด้วยแต่สุขแล้วไม่ติดนะ่ะสงบได้ไหมสงบได้ควรสงบด้วยแต่สงบแล้วไม่ติดดีได้ไหมดีได้แล้วควรจะดีด้วยนะแต่ไม่ติดเดี๋ยนี้นะไม่ใช่ว่าบอกว่าอย่าไปเอานะสุกสงบดีดังนั้นจงชั่วเถิดไม่ใช่อย่างนั้นนะจงฟุ้งซ่านเถิดไม่ใช่อย่างนั้นนะมันเป็นทางผ่านที่เราจะเจอเป็นทางผ่านที่เราจะเจอนะแต่ถ้าไปติดเราไปสร้างภพ อาจจะเป็นสร้างภพภพของพระพรหมบ้างถ้าไม่ได้ก็ไปอยู่เป็นพวกของนิมมานะดีปรนิ ม, มิตวสวัสดีประมาณนี้ไปติดติดสร้างภพอย่างนี้นะเป็นภพของนักปฏิบัติถ้ามองในแง่ของคนทั่ ว, วไปก็ดีมากแล้วนะแต่เราในเป้าหมายไม่ใช่แค่ว่าแค่นี้พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเราให้ให้ไปสู่สุคติพระพุทธเจ้าตั้งความหวังไวตั้งแต่ ท่านสร้างบารมีเนี่ยขอให้เราพ้นทุกข์แล้วพาคนอื่นพ้นด้วยไม่ใช่ว่าขอให้เราพ้นทุกข์แล้วให้คนอื่นอยู่ในสวรรค์เพราะสวรรค์ก็ไม่เที่ยงดัง<ม> น, นั้นสิ่งที่ท่านตั้งปณิธานเอาไว้เลยตั้งแต่ยี่สิบสงคขายที่แล้วไม่ใช่แค่สี่ปสงคขายนะยี่สประสงคขยที่แล้วเนี่ยตั้งปณิธานไว้เลยว่าให้เราพ้นแล้วขอให้พาคนอื่นพ้นด้วย เป้าหมายของท่านคือให้พน้นไม่ใช่ไปแช่อยู่ในภพไหนไม่ใช่ไปแช่อยู่กับภูมิไหนนั้นอย่าอย่าให้สามตัวนี้มาหลอกหลอ ก, ล, อ ก, ล, อกล่อเรานะสุขดีสงบเป็นการบ้านที่ยากแต่ถ้าจะให้พ้นตามพุทธเจ้าได้เนี่ยต้องไม่ติดสามตัวนี้แต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ทำมันต้องทำ ทำกรรมไม่ดำไม่ขาวแล้วมันจะมีสามตัวนี้ขึ้นมาเองแต่สามตัวนี้จะเป็นตัวหลอกล่อให้เราไปติดนะสามตัวนี้นะจะเป็นตัวหลอกล่อให้เราไปติดมีแต่ไม่ติดต้องเป็นคนดีต้องเป็นคนสงบต้องเป็นคนมีความสุขนะแต่ไม่ติดในดีในสงบในสุขสามตัวนี้ยากไหม <laughs> แค่รู้เฉยๆเพราะเดี๋ยวดีสุขสงบ จะแสดงความจริงว่าไม่เที่ยงจะเห็นเลยว่าที่เคยเห็นว่าดีนะเสื่อมได้ที่เคยเห็นว่าสุขนะเดี๋ยวก็ทุกข์ได้ที่เคยเห็นว่าสงบเนี่ยนะนะเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านได้ถ้าเราไม่ได้ตั้งความหวังว่าจะเอาสามตัวนี้นะเราต้องการจะตั้งความหวังว่าจะให้เห็นความจริงให้เกิดปัญญาเราจะดูมันแสดงความจริงอย่างใจเป็นกลางเวลามันฟุ้งซ่านก็ดูด้วยความเป็นกลางว่า อ๋อนี่ไงมันแสดงความจริงแล้วเคยสงบแล้วตอนนี้มันฟุ้งซ่านแล้วเราจะไม่ตีโพยตีพายไม่ไม่กระทำอะไรบางอย่างเพื่อจะรักษาความสงบขึ้นมาอีกแล้วก็ปฏิเสธความไม่สงบอันนี้ไม่สงบก็ได้ครูบาอาจารย์เคยเล่าว่าตอนท่านบวชพรรษาสองอะท่านจิตท่านสว่างมาตลอดนะนะ พอภาษาสองมันหมองๆลงไปพอหมองลงไ ป, อองงไปท่านยอมไม่ได้ทําให้มันสว่างกันไปอีกตอนนั้นคือมีการกระทำใช่ไหมสร้างภพใช่ไหมยังไม่พ้นนะถ้ามันสว่างอยู่พอใจในความสว่างพอหมองไปไม่พอใจในความหมองมีการกระทํามีตอนนั้นทำอะไรแทรกแซงมีการแทรกแซงไม่เห็นความจริงความจริงเกิดขึ้นแล้วไม่ยอมรับความจริงคือ ไม่ได้พอใจหรือไม่ไม่เห็นความจริงที่เกิดขึ้นจริงๆพอมันหมองก็กระทําทํางั้นทบ่อยๆจนกระทั่งว่าจนเหนื่อยในครูบาอาจารย์เล่านะว่าจนเหนื่อยพอเหนื่อยแล้วท่านท่านใช้ภาษานักเลงหน่อยว่าเอาวะหมองก็หมองวะเอาวะอย่างนี้นะเอาวะหมองก็หมองวะเหมือนหนังบางเรื่องนะอะไรบ้าก็บ้ า, าวะเลยนะ อันนี้แต่ท่านไม่บ้านะเอาวะจิตมันหมองหมองก็มองว่าดูมไปพอหมองก็มองว่าเนี่ยนะนะคือยอมรับความจริงพอยอมรับความจริงคือจิตยอมรับได้เห็นความหมองอย่างใจเป็นกลางความหมองก็ไม่หลอกไม่ไม่มาหลอกใจท่านได้อีกมันกลับไม่หมองแปลกไหม <laughs> ความปรากฏการอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับใจนะ ถ้าเราไม่รู้จักมันมันยังหลอกเราได้เราจะมีปฏิกริยาต่อต้านมันบ้างพอใจมันบ้างแต่ถ้าปฏิกริยานั้นเรารู้จักมันแล้วเนี่ยนะเราจะเฉยๆอ๋ออีกแล้เหรอประมาณเนี้ยหลอกเราไม่ได้แล้วไ อ, อ้นั้นจะหมดพิษสรงไปมาจ้าเอ๋แล้วไม่ตกใจล้วประมาณนี้อ๋อรู้จักแล้วมันหลอกเราไม่ได้อีกแล้วมันขึ้นอยู่กับว่าเรา ตั้งเป้าหมายถูกด้วยกนะันองค์ประกอบสําคัญคือตั้งเป้าหมายให้ถูกให้ตรงไม่ได้พอใจในเรื่องสุขสงบดีแต่พอใจที่ว่าเราจะเรียนรู้ความจรงิงแต่มันก็จะมีบางช่วงที่เราเผลอไปเห็นว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนั้นสุขสิ่งนั้นสงบที่มันปรากฏอยู่เนี่ยน่าพอใจตอนที่น่าพอใจแสดงว่าเรายังไม่รู้มันจรงิงมันจริงสร้างความติดให้กับเราได้แต่ถ้าอ๋อมันจะเกิดอะไรก็เกิดเถิด ขอรู้ความจริงพอขอรู้ความจริงมันจะแสดงความจริงพอรู้ความจริงแสดงความจริงได้แล้วเนี่ยพอเข้าใจแล้วมันก็หลอกเราอีกไม่ได้ละอ๋อความจริงก็คือมันไม่เที่ยงความจริงก็คือมันเป็นทุกข์อยู่นิ่งไม่ได้ความจริงก็คือมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับเข้าใจอย่างนี้นะขั้นตอนพวกนี้มีอยู่มีอยู่เรื่อยๆมีอยู่ตลอดตั้งแต่ตอนฝึกยังเป็นปุถุชน เป็นพระโสดาบันเป็นพระ ส, ะระสะกิทาคาเป็นพระอนาคาจะมีเรื่องราวที่หลอกเราให้หลงให้พอใจติดอยู่ในภพนี้อยู่ตลอดเพราะนั้นไม่ต้องมากังวลใจว่าเราติดภพอีกแล้วเหรอติดอยู่ธรรมดามากแต่ให้รู้ว่าที่ติดเป็นอย่างนี้แต่ไม่ใช่ว่าติดอยู่แล้วไม่รู้ตัวถ้าติดอยู่ไม่รู้ตัวออกไม่ได้ถ้าติดอยู่แล้วออลรู้ตัวว่านี่กลังติดอยู่นะ มันจะเห็นทุกเห็นโทษของการติดอยู่ตรงนี้แล้วมันไม่พอใจในการติดอยู่ต่อไปจะเห็นเลยว่าขันทั้งห้านะเป็นทุกข์ทั้งนั้นพบทั้งหลายอย่างลงไปเป็นทุกข์ทั้งนั้นเห็นอย่างนี้ใช้ได้แต่ยังไม่พ้นไม่พ้นแต่ว่ากําลังหาทางอยู่และกําลังทําอยู่ตอนกําลังหาทางกำลังทําเนี่ยเรียกว่าทํากรรมไม่ดําไม่ขาวเป็นการทํากรรมอยู่นะฝึกเห็นสภาว่าไปตามความเป็นจริงเนี่ยทำกรรมอยู่ก็จริงแต่ว่า ตอนที่พ้นจากโลกตอนที่มีขั้นตอนของการมรรคผลเนี่ยไม่ได้ทํากรรมตอนนั้นเป็นอัตโนมัติจะเป็นอัตโนมัติต้องมีความเคยชินเวลาทําอะไรที่เป็นอัตโนมัตินั้นเราต้องฝึกจนเคยชินจึงเกิดอาการที่แบบเป็นอัตโนมัติขึ้นมาได้การเคยชินก็คือต้องทําตัวนี้เลยจึงเรียกว่าเป็นกรรมฐานทํากรรมอยู่ทํากรรมไม่ดําไม่ขาวเพื่อผลที่จะพ้นโลกคือได้รับสิ่งที่เป็นไม่ดําไม่ขาวคือนิพพาน ตอนนี้แหละคือขั้นตอนการฝึกที่เราจะมาดูว่ากายเป็นยังไงตามความเป็นจริงใจขณะนี้เป็นยังไงตามความเป็นจริงมีราคะก็ได้ก็รู้ทันมีโทสะก็ได้ก็รู้ทันมันติดพอใจในความว่างๆอยู่รู้ทันความรู้ทันตัวนี้ทำให้สิ่งนั้นหลอกเราไม่ได้อีกแต่ถ้าเราไม่รู้ว่าขณะนี้มันเกิดอะไรขึ้นแต่มันติดอยู่เนี่ยนะอาการติดก็ไม่รู้อย่างงี้นะก็ไม่พ้นไม่พ้น สิ่งที่จะทําให้เราง่ายขึ้นไปหาคูบาอาจารย์ให้ <c oughs> ทัานชีให้หน่อยว่าตอนนี้ติดอะไรอยู่ <c oughs> ประมาณนี้นะหาคูบาอาจารย์ถ้าส่งกันบ้านกับท่านได้ก็ส่งหรือถ้าไม่กล้าส่งหรือไม่มีเวลาหมดเวลาแล้วก็ไปส่งกับคนที่คูบาอาจารย์มอบหมายให้ให้ตรวจให้รอหน่อยแต่อาตมานี่ ตั้งสั้นทั้งยาวทั้งเอียงตรวจไม่ได้ได้แต่พูดพูดดีแต่พูดอประมาณพระพุทเนี้ยโอเคไหมเข้าใจไหมนึกออกไหมว่าจะต้องทําอะไรต่อนึกออกไหมคือรู้สิ่งที่ปรากฏด้วยจิตที่เป็นกลางสิ่งที่ปรากฏเนี่ยเป็นรูปธรรมก็ได้เป็นนามธรรมาก็ได้ สิ่งที่ปรากฏคือรูปธรรมหรือนมามธรรมจะพูดเป็นให้เข้าใจง่ายหน่อยคือดูกายหรือดูใจแต่สิ่งที่คิดไม่ใช่สิ่งที่เราจะไปดูแต่ไม่ได้ห้ามคิดคนเนี้ยยังอยู่ในโลกเนี้ยก็ยังต้องคิดแต่สิ่งที่เราจะไปดูไม่ใช่ดูความคิดไม่จะดูเรื่องที่คิดดูสิ่งที่ปรากฏก็คือเวลาคิดแล้วใจเป็นยังไง เวลาเห็นแล้วใจเป็นยังไงฟังแล้วใจเป็นยังไงไม่ห้ามดูไม่ได้ห้ามฟังไม่ได้ห้ามคิดแต่เวลาเกิดสิ่งเหล่านี้แล้วคือดูฟังคิดพูดทำอะไรพวกนี้แล้วใจเป็นยังไงดูปฏิกิริยาของใจที่เกิดขึ้นมันก็จะมีส่วนใหญ่ก็จะเป็นกิเลสมีราคะมีโทสะมีโมหะมีฟุ้งซ่านมีหดหู ไอ้ที่จะเมตตาเนี่ย น, นันนานจะเกิดสักทีหนึ่งที่จะขยันเนี่ยนะ น, น่นานจะเกิดสักทีหนึ่งขยันก็ขยันแบบฝืนฝืนใจมากเลยฝืนอะไรเงี้ยเวลานาฬิกาปลุกดังขึ้นมาเนี่ยมันฝืนใจทำไมมันรีบดังจังเลยอะไรเงี้ยรู้ทันความไม่พอใจรู้ทันความฝืนใจนี่ใช้ได้เลยแต่ก็ฝืนลุกขึ้นมานะต้องลุกขึ้นมาสร้างความเคยชินอันใหม่เกิดขึ้นมาความเคยชินอันเนี้ย ต้องทําไม่ใช่ว่าครูบาอาจารย์บอกว่ามันต้องเป็นสภาวะที่อัตโนมัติเราก็รออัตโนมัติมันไม่ไหวอ่ะมันไม่เกิดอัตโนมัติจะเกิดตามสั่งก็ไม่ได้อัตโนมัติจะเกิดตามสั่งเราก็สั่งไปเลยไม่ต้องไม่ต้องมาฝึกอะไรใช่ไหมแต่อัตโนมัติจะมาจากการที่มันเกิดความเคยชินมีความเคยชินในการดูว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นกับใจ มีความเคยชินจะดูว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นกับกายตอนนี้ต้องฝึกฝึกจนมันเป็นความเคยชินเป็นนิสัยอะ่ะเป็นนิสยัย <c oughs> ใครมีอะไรสงสัยไหมวันนี้ยากไปหรือเปล่ารู้สึกว่าพอพูดถึงพรนะพรมรู้สึกเป็นเรื่องยากเหมือนกันนะแต่มันก็น่าจะพอเหมาะกับพวกเราตอนนี้แหละเราเราฝึกมานานนะมันจะมีภาวะอย่างนี้นะภาวะ ภาวะที่จะหลอกเราอะสุขสงบดีสามตัวเนี้